ทำบุญกับใครก็ได้อานิสงส์หญิงสาวผู้หนึ่งมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าพระที่นำเงินที่ญาติโยมถวายไปเลี้ยงครอบครัวเป็นบาปหรือไม่หลวงพ่อตอบว่าถ้าหากว่าเป็นสิทธิของเขาไม่บาปถ้าหากว่าเขาเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือบุคคล ผู้ที่พึ่งพาอาศัยเขาช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกเพียงชั่วขณะถ้าหากว่าตั้งอกตั้งใจที่จะกอบโลยมาพอกพูนให้กันมั่งมีสีสุขกันจริงๆมันก็ผิดบาปมันเกินไปเธอกราบเรียนต่ออีกว่าเวลาเห็นพระปฏิบัติไม่ดีแล้วไม่อยากกราบไม่อยากใส่บาตรให้หลวงพ่อจึงแนะนำว่าอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องของท่าน เราไม่เกี่ยวเรารักษาความบริสุทธิ์ของเราดีกว่าเราเอาอย่างนี้พนทหารมันแบกธงชัยเฉลิมพผลผ่านหน้านายทหารทุกคนจะต้องตะเบะท่านผู้นี้ถือผ้ากาสาวะพัดเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าเราไหว้ผ้ากาสาวพัเราใส่บาตรให้พระให้ทรงวัดหนึ่งวัดหนึ่ ง, งถึงแม้ว่าความประพฤติปฏิบัติของท่านจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ท่านก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเราเอาผลประโยชน์ที่ตรงนี้ส่วนความผิดความถูกเป็นเรื่องของท่านเราไม่เกี่ยวเราให้ทานใส่บาตรให้ท่านเราอุทิศถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้พระเจ้าพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาตจากเราเนี่ยก็เหมือนคนเลี้ยงวัวเลี้ยงช้างกินขี้ช้างว่ากันง่ายๆ เพราะฉะนั้นเราทำบุญให้ทานเจตนาของเราบริสุทธิ์ทำกับใครก็ได้บุญ